บทนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแกการปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปได้พูดมาถึงเรื่องของอุปาทานคือจิตที่ยึดมั่นถือมั่นไปตามแรงผลักดันของกิเลสในแต่ละสายดังที่ได้กล่าวถึงเรื่องของกรารมุปาทาน คืจิตที่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ตนใคร่ด้วยอำนาจของกิเลสที่เป็นเหตุให้ใคร่ซึ่งหมายความว่าในสองประการนี้ถ้ามีเฉพาะประการใดประการหนึ่งความยึดมั่นถือมั่นก็จะไม่บังเกิดขึ้นอันที่จริงพวกวัตถุกรรมทั้งหลายนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดาของมันเราเกิดขึ้นมาจากเหตปุปัจจัยเมื่อมีเหตุปัจจัยให้เกิดเขาก็เกิด จะเกิดโดยธรรมชาติเกิดขึ้นจากการปรุงแต่งหรือประดับประดาของบุคคลทั้งหลายก็ตามแต่เมื่อมีอปัจจัยเช่นนั้นแล้วก็ก็ต้องเกิดขึ้นหากว่าใจเราไม่ไปกําหนดในวัตถุเหล่านั้นด้วยอํานาจความกําหนัดวัตถุเหล่านั้นก็คงเป็นอยู่ตามธรรมชาติของเขาใจเราก็จะไม่มีความเปลี่ยนแปลงไปเพราะอํานาจของวัตถุเหล่านั้น จนกว่นี้ท่านสาธารณชนทั้งหลายจะสังเกตได้ที่ใจของเราเองเรามีวัตถุสิ่งของต่างๆเป็นอันมากในโลกนี้ที่เราเคยประสบพบเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่ใจเราก็ไม่เกิดกำหนดด้วยอำนาจความกำหนัดการตั้งอยู่การเสื่อมสลายไปหรือการสูญหายไปของวัตถุเหล่านั้นก็ไม่ได้สร้างความกระตบกระตือนอะไรให้แกเรา แต่การแสดงเห็นได้ว่าตัวในคือกิเลสเป็นเหตุให้ใครมีความสําคัญมากกว่าตัวนอกเพราะไรเพราะว่าตัวนอกนั้นแม้พระหันทั้งหลายท่านก็อยู่ท่ามกลางสิ่งเหล่านั้นเหมือนกันแต่เมื่ตัวภายในคือกิเลสของท่านไม่มีการกําหนดดรวยอำนาจความกําหนัดในวัตถุเหล่านั้นก็ไม่เกิดขึ้นการยึดติดด้วยอํานาจอุ ป, ปาทานก็ไม่มาเกิดขึ้นแต่กระบวนการของกิเลสนั้น ตึงสังเกตว่าเป็นเช่นเดียวกับกระบวนการทั้งหลายเหล่าอื่นคือส่วนหนึ่งเป็นอดีตการที่นานไกลคล้ๆกับการเกิดขึ้นของพืชพันธุ์ดัญงชาติทั้งหลายที่มีอยู่ในปัจจุบันเหตุที่เราเห็นในปัจจุบันก็คือว่ายางเนียมีอยู่ภายในพืชเหล่านั้นหน่อพืชไม่ถูกทำลายพืชได้อุณหภูมิที่เหมาะสมแกก็งอกได้แต่แท้จริงแล้วเป็นเหตุที่เราเห็นในปัจจุบัน แต่การที่คุณสมบัติทั้ง3ประการนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคื อ, อยางเหนียวและหนอภายในพืชมีอยู่ได้เพราสะสาเหตุในอดีตก็คือความเป็นมเมล็ดพืชของพืชอีกชนิดของพืชชนิดนั้นในอดีตและพืชชนิดนั้นเองก็ถอยกลับเข้าไปสู่อดีตได้เป็นอันมากจะหาจุดเริ่มต้นไม่ได้ว่ามะม่วงเนีเกิดขึ้นครั้งแรกอย่างไรเกิดขึ้นที่ไหนมะพร้าวเกิดขึ้นอย่างไรที่ไหน มันสาวไปไม่ได้กระบวนการของชีวิตของคนของสัตว์ทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นเพราะเหตุอดีตจึงมีอิทธิพลอยู่ ม, มากในการที่จะสร้างให้สิ่งเหล่านั้นเป็นไปอย่างไรทานองมะม่วงชนิดหวานชนิดหวานนั้นที่จริงเป็นเหตุในอดีตคือเป็นต้นเดิมเขม้ามาและต้นเดิมเข้ามันก็นมาจากต้นเดิมเขม้ามาอีกก็ทยอยย้อนก็ไปสู่อดีตได้เรื่อย นั่นก็ถือว่าคุณสมบัติที่ติดตัวมะม่วงเหลดนั้นมาทีนี้มะม่วงจะหวานเพิ่มขึ้นหรือจะหวานลดลงหรือจะอ า, อา จ, จะกลายเป็นเปรี้ยวขึ้นมาได้ก็อยู่ที่เหตุปัจจุบันเข้ามาประกอบที่เรียกวเหตุปัจจัยประกอบในปัจจุบันโดยเพอเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงพวกพืชชนิดของพืชประเภทของพืชและขนาดของผลพืช ที่มีการพัฒนาค้นคว้ากันอยู่ในปัจจุบันนั้นเป็นตัวเชื่อเห็นว่าเหตุปัจจุบันก็มีอิทธิพลสําคัญแต่เหตุอดีตเราก็มองข้ามไปไม่ได้นนในช่วงของปัจจัยการหรือปฏิจจสมุปบาทที่ได้กล่าวมาแล้วโดวยลําดับนั้นาสาธารุชนจะเห็นได้ว่าเราก็มีเหตุอดีตอยู่สองตัวคืออวิชากับสังขารอาวิชาก็คือกิเลส สังขารก็คือบุญคือบาปแล้วก็คือพื้นจิตที่ขึ้นไปถึงระดับของสมาธิหรือระดับของฌานเราก็รวมเรียกว่าสังขารอาการทั้งสองนี้จะอิงอาศัยซึ่งกันและกันยังสำนวนไทยที่เราพูดกันว่ากิเลสอยาบบาปหนาหมายความว่าบาปจะแรงหรือไม่แรงนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณของกิเลสถ้ากิเลส ก, กียบก็หมายความโกรธจัดโลภจัดหลงจัด บาปมันก็หนาแต่บาปนั้นที่จริงก็เป็นสังขารที่นหนึ่งซึ่งปรุงแต่งให้เกิดผลเป็นความทุกข์ขึ้นมาทีนี้ถ้ากิเลสน้อยเบาบางลงไปตัวบาปก็จะเบาบางลงไปพอ ก, กิเลสอยู่ในจุดที่ไม่เป็นภัยเป็นอันตรายสถามถะสามารถควบคุมได้การกระทำของบุคคลก็จะเป็นบุญเป็นกุศลมากยิ่งขึ้นพราะนี้จะต้องตรวจสอบในชีวิตประจวันของเรา เรากรู้อาการต่างๆที่เราเคลื่อนไหวในในชีวิตประจำวันพหลังจะทําทไปแล้วก็หันมาตรวจสอบดูว่าทําไมจึงได้พูดอย่างนั้นทําไมจึงได้คิดอย่างนั้นทําไมจึงเครียดกราดอย่างนั้นแล้วก็ย้อนกลับมาสู่เหตุอันดีที่นําให้เกิดอาการเหล่านั้นขึ้นมาเราจะเห็นว่าขึ้นอยู่กับความมากความน้อยของกิเลสหรือความมากความน้อยของธรรมะที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆ ก็สะท้อนออกไปเป็นรู ป, ปรธรรมเป็นอาการทางกายทางประจาที่บุคคลอื่นสามารถสัมผัสได้และจากเหตุอดีเตเหล่านี้เขาก็กลายเป็นเชื้อคล้ายๆกับมะม่วงชนิดหวานหรือมะพร้าวชนิดมันหรือว่าพืชผลต่างๆอย่างที่กล่าวมาแล้วคือเหตุมันมีอยู่แล้วในอดีตแต่ทีนี้พอมาถึงในปัจจุบันปัจจุบันหลังจากเรามีนามรูปคือมีชีวิตขึ้นมาแล้ว ตาเราก็เห็นรูปหูก็ฟังเสียงจมูกก็ดมผิดลิ้นก็ลิ้ ม, มรสกายก็ถูกต้องเย็นร้อนนอนแข็งใจก็ติกนึกถึงอารมณ์แต่ในช่วงแรกจริงๆช่วงแรกจริงๆที่เราเห็นครั้งแรกจริงๆได้ยินครั้งแรกจริงๆหรือสูดดมครั้งแรกจริงๆนั้นเราไม่รู้มันมีอวิชาอยู่ก่อนอาการของวิชาจะปรากฏได้เห็นชัดแต่เราก็สามารถสัมผัสได้ในชีวิตประจําวันของเราว่า สิ่งอะไรก็ตามที่ไม่เคยผ่านมาทางประสาทสัมผัสของเราเลยนั้นเริ่มต้นจากความไม่รู้ต่อไปก็จะกลายเป็นความเครื่อแครงสงสัยแต่เครื่อแครงสงสัยมากคิดไปคิดมาก็ฟุ้งร่านหรือทางออกไม่ได้จำเป็นจะต้องมีการสอบสวนทวนถามค้นคว้าหาคำตอบในเรื่องเห่านั้น แล้วเราจะรู้สิ่งเหล่านั้นในแง่มุมต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือความดีความไม่ดีความมีคุณมีโทษมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ของสิ่งเหล่านั้นในตอนนั้นเองก็กลายเป็นสัมผัสคือการกระทบเราก็เกิดความรู้สึกยินดียินร้ายไปตามอาการของสิ่งเหล่านั้นด้วยตามการรับรู้ของสิ่งเหล่านั้นแต่เราเกิดยินดีความสุขก็เกิดขึ้น เกิดกินร้ายก็เกิดไม่พอใจความทุกข์ก็เกิดขึ้นในขณะนั้นแต่เมื่อความทุกข์ความสุขเกิดขึ้นที่ท่านเรียกว่าเวทนานั้นตัณหาก็จะเกิดตามมาคือจะคอยคว้าส่วนที่เรายินดีและจะปฏิเสธส่วนที่เรายินร้ายมันก็กลายเป็นอาการของกรรมตัณหาภาวะตัณหาในกรณีที่เรายินดีอารมณ์ดอนั้นแล้วก็เป็นวิภาวะตัณหาในกรณีที่เรายินร้ายคือไม่ชอบใจในอารมณ์ดอนั้น ทั้งหมดนั้นก็มากลายเป็นอุปาทานเพราะงั้นตัณหาก็อุปาทานจึงกลายเป็นเหตุในปัจจุบันซึ่งก็หมายถึงเป็นเชื้อซึ่งได้รับเพิ่มขึ้นในปัจจุบันแต่การรับเชื้อเพิ่มขึ้นนั้นอย่างที่กล่าวไว้ว่ามันก็เหมือนกับแมลงวันหยอดไข่ซึงเป็นภาพเรียนได้ง่ายแมลงวันที่หยอดไข่นั้นปัญหาว่าหยอดที่ไหน ไม่ใช่หยอดอย่างไรเพราะว่าหยอดในที่บางแข่งไข่นั้นก็ตายไปเลยหยอดในที่บางแข็งก็พร้อมที่จะเป็นไข่ข้างซึ่งก็หมายความว่าเชื้อเน่าของสิ่งเหล่านั้นต้องมีอยู่แล้วถ้าระหยอดในหินในพื้นกระดานเป็นต้นตัวนี้ไม่มีเชื้อเน่าไม่มีเชื้อนอนอยู่หยอดลงไปมันก็เท่านั้นเองก็ตายไปแต่ถ้าระหยอดในปลาในเนื้อซึ่งมีเชื้อเน่าอยู่ มันก็พร้อมที่จะแพร่ตัวออกมาเป็นนอนเพราะลักษณะของความคิดเหล่านี้ก็เป็นเช่นนั้นคือว่าในตัวการรับรู้นั้นไม่ใช่เพื่เป็นเครื่องกําหนดว่าจะต้องเกิดกิเลสเสมอไปเกิดจะเกิดธรรมะก็ได้หรืออาจจะเกิดอุเบกขาคือวางเฉยก็ได้ไมียินดียินร้ายก็ได้อาการทั้งหมดนั้นเราก็สัมผัสกันได้ในชีวิตของเราเพราะอารมณ์ที่เรารับรู้แล้วจึงมีทั้งยินดีบ้างยินร้ายบ้างแล้วก็เฉยเยบ้าง แต่ไงก็ตามอาการของตาหาเขาก็ต้องเกิดขึ้นมากบ้างน้อยบ้างอุปาทานนั้นก็จะบังเกิดติดตามมาอย่าลืมว่าอุปาทานนั้นทั้งตาหาทั้งอุปาทานมีเชื้อควออามวิชาอยู่ถ้าก่อกลุ่มก็คือกลุ่มของกิเลสด้วยกันอย่าในกรรมของสังสารวัตรที่เคยพูดมาในเรื่องพุทธคุณบทว่าอาราคัง ที่บอกว่าเป็นเครื่องหมุนบนนำคนเข้าสู่การหมุนบนในสังสารวัฏมันก็มีอวิชชาตันหาอุปาทานแล้วก็กรรมกรรมก็คืออะไรกรรมก็คือสังขารซึ่งเกิดขึ้นโดยเจตนาตัวอาการแล้วก็ผลที่ปรากฏพร้มแม้แต่อุปาทานเองก็เป็นพวกกลุ่มของกิเลสที่มีการเกาะติดอยู่ภายในจิตใจของบุคคลในข้อต่อไปนั้น ต้องแสดงว่าที่ถูกปาทานคือถือมั่นด้วยจิตจิตแต่เก่ความคิดความเห็นเ๋ยวเราก็มองกลับเข้าไปสู่เชื้อในอดิที่จะเห็นได้ว่าความคิดเห็นเหล่านั้นบางอย่างสำนวนบาลีตันเรียกว่าห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานหมายความว่าต้องเป็นความเห็นผิดที่แรงมากจึงห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานหมายความว่าตราบใดที่เขายังมีความเห็นเหล่านั้นอยู่เขาไม่มีโอกาสบังเกิดในสวรรค์และบรร ล, ลุพระพุทธ น, นิพพานได้ ต่อเมื่อใดนาสิ่งเหล่านั้นออกจากจิตได้การบังเกิดในสวรรค์และการบรรลุบรรลุนิพพานก็จะมีได้แต่บางอย่างไม่ได้แรงขนาดนั้นไม่ถึงกับพ้ามสวรรค์หรือก็มีโอกาสที่จะบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ได้แต่ไม่มีโอกาสที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าท่านสาธุชนจะต้องมองกลับไปอีกทีหนึ่งว่า จุดเริ่มต้นของการเข้าถูกระแสพนิพพานของพระโสดาบันนั้นคือตรงละสักกายทิฏฐิที่ความเห็นเป็นเอกซือตัวถูวตตนออกไปเพราะนั้นถ้าความเห็นผิดอยู่ยังมีอยู่การละสิ่งตัว น, นี้เกิดขึ้นไม่ได้มาละมีไม่ได้มาผลมันก็มีไม่ได้เป็นปฏิกิริยาแบบธรรมชาติธรรมดาไม่ใช่เป็นการขีดวงเอาไว้หรือผูกขาดมาผลนิพพานเอาไว้แต่เป็นเงื่อนไขของสิ่งเหล่านั้นคล้ใกลกระสุนทางเคมี แต่ยเอาส่วนนั้นมาผสมกับส่วนนั้นเนือ้อสัาส่วนที่จําแนกเอาไว้อย่างชัดเจนว่าอัตราส่วนจะต้องเป็นอย่างนั้นแล้วมาผสมกันอะไรผสมกอ่อนผสมหลังตามขั้นตอนแล้วปฏิกิริยาทางเคมีก็จะทําออกมาเป็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นแต่ถ้าสัดส่วนมันไม่ได้ตามที่ว่า้องออกมาไม่ได้และดูง่ายๆว่าการปรุงอาหารรสชาติจะเป็นอย่างนั้นก็ต้องมีสัดส่วนของเครื่องปรุงอย่างนั้นอย่างนั้นตามที่ท่านบอกเอาไว้แล้วสัดส่วนของเครื่องปรุงมันเกิดหายไปสักอย่างหรือหย่อนไปหรือมากไป รสชาติที่เราต้องการเขาก็ต้องเปลี่ยนนี้จึงกลายเป็นกฎธรรมชาติที่เราไปจับได้ทุกๆเรื่องไม่ใช่พระพุทธศาสนาผูกขาดมรรคนิพพานไว้เฉพาะพระพุทธศาสนาแล้วก็ปฏิเสธมารรคผลนิพพานในศาสนาอื่นที่จริงเป็นกฎธรรมชาติถ้าคนศาสนาในก็ตามสามารถสร้างเงื่อนไขเหล่านี้ได้ขจัดอุปสรรคของมรรคผลนิพพานออกไปได้ท่านก็บรรลุมรรคผลนิพพานได้ซึ่งถ้าบารรลุนิพ มืผลนิพพานแล้วท่านก็เป็นพุทธะโดยไม่จําเป็นจะต้องปัญญาอะไรก็ได้แต่ว่าเป็นเรื่องแน่นอนว่าคนซึ่งจะเกิดผลขึ้นมาเช่นนั้นมันก็ต้องมีศรัทธาเชื่อมั่นในพรัตนาฏัยแต่ละยะนั้นเป็นเงื่อนไขที่เชื่อมโยงกันจนจนไม่อาจจะแยกออกจากกันได้ว่าถ้าสิ่งนี้มีสิ่งนี้ต้องมีสิ่งนี้มีสิ่งนี้ต้องมีถ้าสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ต้องเกิดแต่สิ่งนี้เกิดขคืออะไรอีกสิ่งหนึ่งจะต้องดับเช่นสมมติว่าความเพียรเกิดเนความเกียจคร้านต้องดับความเชื่อเกิดความไม่เชื่ออต้งดับ ควาเมตตาเกิดความโกรธต้องดับความอยากเกิดความเสียสละต้องดับคือแกจะปรากฏด้วยกันไม่ได้นอกจากว่าเป็นเรื่องการต่อสู้กันทางความคิดในแต่ละขณะซึ่งก็หมายความว่าไอ้ควายความโกรธเองก็ยึดครองจิตไม่ได้เต็มที่ควายเมตตาเองก็ยึดครองจิตไม่ได้เต็มที่ในสุดมันต้องต่อสู้กันแล้วก็จักระเยือกกันแต่ถ้าควายใดควายหนึ่งยึดครองจิตได้อีกฝ่ายหนึ่งก็ต้อง ไม่มีอาํานาจอิทธิพลต่อจิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะนั้นๆลักษณะของความเห็นผิดที่เป็นปัใจจัยในอดีตนั้นที่จริงมันก็เป็นเรื่องของอวิชชาที่แปลว่าความรู้ไม่จริงคือเราไม่ถึงกับเรียกว่าความไม่รู้มืดบอดไปเลยมันรู้เหมือนกันแต่เพียงแต่รู้ไม่จริงอะไร น, นั่นเองซึ่นันล่ะลักษณะของการรู้ไม่จริงเพืสังเกตว่าในชีวิตประจำวันของเราเราก็มีอาการที่รู้ไม่จริง ที่เราพูดรอกฟังไม่ได้สับจับเป็นกระเดียดซึ่งก็หมายความว่าเป็นการฟังเอาเฉพาะตอนใดตอนหนึ่งแ ล, ล้วกําหนดว่าตอนนั้นก็คือตอนที่ถูกต้องสมบูรณ์แล้วโดยฟังต่อให้ตลอดว่าจริงๆเนี่ยเขาพูดว่าอย่างไงก็เริ่มต้นมาตรงไหนข้อความตรงนี้ไปเชื่อมกับข้อความตรงไหนหรือว่าสรุปแล้วเนื้อหาของข้อความเหลันเป็นอย่างไรสแสดงให้เห็นเจตนาของผู้พูดแต่เมื่อเราไปฟัง เฉพาะต้นใด่านหนึ่งก็จะต้นชนปลายไม่ถูกแล้วก็ยึดติดเอาในตรงนั้นในสู่ก็สร้างปัญหาให้เกิดความขัดแย้งกันในด้านความคิดความเห็นก็กลายเป็นความถือรั้นที่ไม่ไม่สมเหตุสมผลนี่จากตัวอย่างของตาบอดคขำช้างซึ่งท่านต่างหลายคนได้เคยได้ยินได้ฟังอยู่บ่อยๆคือเป็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมชัดเจนหมายความว่าท่านไม่ใช่ไม่รู้เรื่องช้าง เพียงแต่ว่าท่านรู้จุดใดจุดหนึ่งของช้างแล้วปฏิเสธจุดอื่นแล้วก็ยึดติดอยู่ในจุดนั้น mm hmm. เพราะเมื่อคนอื่นพูดผิดพูดเรื่องช้างผิดจากที่ท่านยึดติดท่านก็ปฏิเสธเราไม่ใช่ช้างต่อเมื่อใดเรามองเห็นทุกจุดของความเป็นช้างเราก็จะเกิดยอมรับแลงถือได้ว่าทุกคนนั้นพูดเรื่องช้างเพเียงแต่พูดคนละจุดของช้างเท่านั้นเองความรู้ในแนวนี้บางครั้งเขาป่อยได้ไกล อย่างในพระบาลีพรมชฌาย์สูตรพระเจ้าจะทรงแสดงจำแนกประเภททิฏฐิคือความคิดเห็นออกไปเป็นอันมากและทรงสาวถึงที่มาของความผิดบางอย่างซึ่งเราจะเห็นว่าที่จริงไม่ได้ผิดโดยสิ้นเชิงไม่มีลักษณะ ข, ของความผิดในตอนตอน้นแต่ไม่จะความถูกในตอนตอน้นแล่ก็ผิดในตอนปลายทำนองเดียวกับอะไรทำนองเดียว ก, กับชีวิตของท่านองค์ครตมา ท่านเกิดในสกุลพราหม์ปุโรหิตของท่านคัคคะปุโรหิตละ น, นางมันตานีพราหมณนเีเป็นสกุลพราหม์ประเภทที่เ ร, เรียกว่าสุ ข, ขุมมาลชาติคือมีพราหม์ที่สืบเชื้อสายมาโดยลาดับได้รับการฝึออกปลื้มอบรมมาอย่างดีในสกุลของพราหมณ์เป็นคนมีอัจยาศัยอ่อนโยนรักสัตว์เมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อปปมารีต่อบุคคลอื่นมากจนเป็นที่รักใครสนิทเสน่หาของบุคคล ของครูบาอาจารย์ของปัญญาครูบาอาจารย์ตลอดครอบครัวครูบาอาจารย์แล้วก็เพื่อนฝูงบางกลุ่มแต่นี้ก็คือธรรมชาติของมนุษย์ที่ตัวเน้นคนอื่นได้ดีจเจริญก้าวหน้าเติบโ ต, วตวกว่าตนไม่ได้คนนี้ก็คล้ายๆกับคำกรนที่เราท่องจำกันว่า อ น, นินทาการเละบรเทน้ำไม่ชอกช้ำ ม, มือระมีดไมก่กีดถิ่นแม่องค์พระรปติมาอย่างหละกินคนเดินดินหรือเจพ้นคนนินทาเป็นการแสดงเหตุตั้งธรรมชาติธรรมชาติอย่างหนึ่งของมนุษย์ว่าจะถูกตําหนิติเจนนินทาว่าไร้ได้วยประการต่างๆกลุ่มหนึ่งก็การนินทาว่าร้ายนั้นเกิดขึ้นจากความดิสยาเพราะพระพเจ้าเองจึงถูกประทุษร้ายจากนักบวชทั้งหลายในสมัยนั้น ถ้าเราจะมองเห็นภาพคล้ายๆกับว่าคนเปิดร้านขายของชนิดเดียวกันเมื่อก่อนก็ขายกันอยู่ได้ดีต่อมามีคนหนึ่งตั้งร้านขึ้นขายของชนิดนั้นแหละแต่คุณภาพดีกว่ามีผลมีอายุการใช้ ย, ยิ่งยืดกว่าแต่ราคาก็ถูกกว่าด้วยลูกค้าก็จะแห่มาที่ร้านใหม่ร้านเก่าก็ขายไม่ได้ การแรก็เกิดการแข่งดีเกิดความริษยาเกิดความโกรธว่าก็พร้อมที่จะบิดเบือนใส่ร้ายทําลายล้างกันนั่นก็คือพฤติกรรมของมนุษย์พระเจ้าท่านอยู่เหนือมนุษย์ไปแล้วท่านเป็นโลภุตระท่านไม่มีปัญหาอะไรกับใครอย่างที่รับสั่งแสดงว่าเราไม่ทะเลาะ ก, กับโลกแต่โลกทะเลาะ ก, กับเราเองเพราะอะไรเพราะเขามองพระเจ้าเป็นศัตรูเนื่องจากไปขัดขวางผลประโยชน์ของเขาแต่พระเจ้าท่านมองโลกในแง่ของ ผู้ที่ตกอยู่ในทะเลของความทุกข์ท่านก็พยายามที่จะช่วยคนเหล่านั้น ห, หลุดรอดจากความทุกข์ตามพื้นฐานที่เขาสามารถทําปัดได้ในการกระทาความดีนั้นก็ไปขัดผลประโยชน์บุคคลอื่นคือคนที่เคเขาเคยหลอกได้มันก็หลอกไปได้ในสุดมันก็กลายเป็นความมาฆ่าพยาบาทองค์อีจงเบนมงเตจะทำร้ายทำร้ายทำร้ายแล้วทาอันตรายต่อกันองค์ลุมมันเองเก็มีลักษณะอย่างนั้น ก็อยู่ในกรอบมันเป็นสูตรคล้ายๆกับเป็นสูตรที่เราสามารถเทียบเคียงได้ทุกจุดของเรื่องอะไรก็ได้ความดีขององค์ปรณิมานเป็นเหตุให้ริษยาถูกริษยาแล้วในสูตรก็เข้าเขา้าผากอาจารย์ซึ่งเบี่ยงเบนออกไปได้วยแรงริษยาเหมือนกันท่านก็เดินทางผิดออกไปตอนก็มีอยู่สองตอนจะเห็นว่าตอนแรกแม้พื้นฐานจิต แต่เพิ่งตอนที่สองไปเกี่ยวเกาะกับอารมณ์ที่ไม่ดีก็กลายเป็นคนไม่ดีไปแล้วพอช่วงที่สามไปเกี่ยวเกาะกับคนดีอีกมันก็กลายเป็นดีไปเป็นแบบชีวิตที่เป็นรู ป, ปรธรรมแล้วกวนแกการศึกษายอย่างยิ่งเพราะว่าชีวิตเราส่วนมากมักจะอยู่ในพื้นฐานนั้นคือโดยพื้นฐานดังเดิมแล้วเราก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่แต่การไปเกี่ยวข้องกับคนปนัญหาว่าเกี่ยวข้องกับใคร คนเหล่านั้นเองจะมีอิทธิพลสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่เราทำนองที่เราได้เรียนเรื่องนอกแขกเต้าสองตัวพี่น้องที่ตกอยู่ในสำนักโจรกับสำนักคารฤษีโดยพื้นฐานแล้วก็คือนกแขกเต้าพี่น้องกันบุญกุศลอะไรก็คงอยใกล้ๆเคียงกันเรามาเกิดด้วยกันแต่เหตุปัจจุบันปรากฏว่าเบี่ยงเบนออกไปคนละานเพราะพฤติกรรมที่มีการซึมซับใหม่ มันจะไหลพฤติกรรมเก่าวเพราะว่าการซึมซับนั้นมากกว่าตํานองใกล้ๆกับน้ําใสก็มีอยู่หรอกแต่พอดีไปเจอน้ําขุน่นแรงๆข้าวน้ําใสก็น้ำใสเถอะมันก็อยู่ไม่ได้เพราะโครงสร้างนี้โครงสร้างนี้ก็เทียบเทียวกับพระองค์ลีบานที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้นเราจะรู้พื้นฐานเดิมนะั้นท่านดีจริงแต่ไปเกิดเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่ดีข้าในสุดท่านก็กลายเป็นมหาโจรไป ก็แสดงว่าคล้ายๆกับน้ําใสที่มีอยู่เดิมแล้วถูกน้ําขุนไปสลายมากเกิดไปจนทําให้น้ําใสแสดงอาการไม่ได้ต่อมาไปพบกับพระพุทธเจ้าคล้ายๆ ก, การหลั่งไหลของน้ําบริสุทธิ์เข้ามาสลายในที่นั้นน้ําขุนที่มีอยู่ก่อนก็ถูกสลายแล้วก็รับเชื้อใหม่เดิมด้วยไปประสมกับเชื้อใหม่เอ่อเชื้อเก่าคือน้ําใสที่มีอยู่เก่ามันก็ทําให้ได้เชื้อบวกในที่สุดท่านก็บรรลุมรควผลในเวลาไม่นาน พนการเหล่านี้เองพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงเขตในปัจจุบันที่ให้เกิดเป็นมิจฉาทิฐิคือกลายเป็นทิฏฐุปาทานยึดมั่นโดยทิฐินั้นก็เพราะคนที่โรคคบกับพื้นฐานจิตของเราหมายความว่าเราไม่ได้กัลยาณมิตราทีฏฐิไปเจริญเติบโตอยู่ในถ้ำกลางบุคคลสิ่งแวดล้อมได้เห็นได้ยินได้ฟังได้สุดทุมได้ริมโดยเฉพาะอย่างเห็นอย่างยิ่งได้เห็นได้ฟังได้คิดได้รื้อได้ซึมซับเรื่องเหล่านั้นไว้ ในทางที่เสริมสร้างให้เกิดความคิดเห็นในทางที่ผิดไปเรื่อยๆและความคิดเห็นในทางผิดนั้นเปนสังเกตว่าจะบีบตัวเองให้แคบลงตนอนนองแใก้ๆก็มีแสงสว่างแต่ก็มองซ้ายมองขวาไม่ได้ก็มองหน้าเลยนิดหน่อยมันก็เดินไปอย่างนั้นในซ้ายขวาเป็นยังไงเลยไม่ได้ดูเลยโอกาสที่พิจารณาเชียบเคียงจึงเกิดขึ้นได้ายาก ในสูตท่านก็นยึดมั่นถือมั่นด้วยความคิดเห็นของตัวทา่านเพราะอะไรเพราะขาดหลักที่สงใช้คำว่าโยนิโสมนาิการคือหมายความว่าไม่ได้ทำไว้ในใจด้วยอุบายแยบคายเพื่อเหตุผ น, นลนักษณะเหล่านี้เองทำให้สังคมพูดเราเองก็ถูกหลอกถูกตวงอยู่เป็นอันมากโดยคนไม่ได้มอกให้ลึกซึ้งลงไปว่าในกระบวนการนี้มันมีองค์ประกอบอะไรอยู่บ้าง เชนมีใครมาบอกว่าตัวเองระลึกชาติได้คุณเป็นพ่ออาตมาคุณเป็นพ่อผมในชาติก่อนคุณเป็นแม่ผมในชาติก่อนก็เลือกพ่อเลือกแม่รวยๆหน่อยแล้วเราก็ยอมรับประเด็นั้นเป็นเรื่องจริ ง, งและในสุดเมื่อมีการตอกย้ํากันบ่อยๆความผูกพันความเยื่อใหญ่านพ่อท่านแม่ในชาติปัจจุบันก็เกิดขึ้นึส่วนมากมักจะเป็นแม่พอลอกง่ายกว่าหลอกเป็นพ่อ ในสุดก็มีแม่เยอะไปหมดโดยคนไม่ได้คิดว่าพ่ออยู่ที่ไหนเมื่อมีแม่ก็ต้องมีพ่อในกระบวนการนี้เมื่อมีลูกมันก็ต้องมีมีแม่แล้วกันมีแม่ก็ต้องมีพ่อมันก็อิงอาศัยซึ่งกันปนัญหาสําคัญว่าทําไมระ ล, ลึกพ่อไม่ได้ว่าพ่อชาติก่อนนี่นคือใครนี่คือลักษณะความคิดที่ขีดวงเอาไว้เฉพาะจุดใดจุดหนึ่งแล้วเราก็คับแคบในเรื่ความคิดคือตัดสินใจอะไรออกไปไม่เคยได้ไม่ได้มองให้ลึกซึ้ง และอีกอย่างหนึ่งนั้นในกระบวนการของการปฏิบัติธรรมเราจะต้องมองเห็นอีกชั้นหนึ่งว่าการที่คนบนรรลุผลอะไรก็ตามแล้วก็นำไปโอ้อวดแสดงสมมติว่ามีจริงหรือไม่มีจริงที่พระเจ้าทรงทำไวเนี่ยถ้าเราวิเคราะห์ถึงองค์ธรรมเรจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการโอ้อวดนั้นถามโอ้อวดเพื่ออะไร โอวดเพื่อให้เขารู้จักเราว่าดีว่าเด่นว่าดางอยา่างนั้นมีความสามารถแต่นั้นและเราได้อะไรเขาได้อะไรเราจะเห็นว่าเขาได้นะั้นแน่นอนแต่เราในอยังนึกไม่ออกเหมือนกันว่าจะได้อะไรอาจจะได้ถูกหลอกหรือถูกกลม ง, งายไปก็ได้เพราะเมื่อเราไปเชื่ออย่างนั้นเราก็ให้ความเคารพนับถือส่งเสริมสนับสนุนกันด้วยการต่างๆแต่สิ่งที่เขาให้นั้นแม้จะเขาจะให้ มันก็ไม่จำเป็นจะต้องเอาเงื่อนไขนั้นเข้ามาเสนอเพราะในปัจจุบันนี้ตำรบตำราก็มีอยู่มากเทปคาเสเซ็ตก็มีอยู่มากแล้วหลักวระถุบระสงคเองก็มีการเผยแพร่ ก, กันอย่างกว้างขวางแต่ว่าตามปกติแล้วจะไม่คิดหรือบางทีคิดในช่วงสั้นๆไม่ได้คิดในช่วงยาว ยังความเห็นผิดเหล่านี้ที่เกิดขึ้นแกท่านประกาพรมซึ่งพระเจ้าได้เสด็จไปโปรดอย่างที่แสดงไว้ในบทพรมเราเห็นว่าประกาพรมท่านก็ขีดไปยี่สิบเจชาติกัน น, น, นนั่นเองหมายความว่าท่านทะลึกชาติย้อนขึ้นไปสู่อดีตได้ยีบเจชาติแต่พอดีเป็นผลพวงที่ต่อเนื่องแล้วก็สะสมเข้าในปัจจุบันทำให้ท่านเกิดเป็นพรมอยู่ทั้งยี่สบเจ็ดชาติ ่ก็กำหนดเอาจากจุดนั้นเองแาะคนเรามันนั้นมาจากพรหมตายแล้วจากพรหมก็จะไปสู่พรหมพรหมยังกลายเป็นที่มาของสรรพสิ่งและพรหมนั้นเป็นสภาวะที่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นการขีดคล้ายๆกับของมาวางนะรือของมาวางแล้วเราไปจับเอาวัตถุสิ่งของที่วางหลดนั้นเ้วก็จำอาจจะ ก, กำหนดเช่อไปจับเอาหินเราก็บอกว่า ไอ้สิ่งที่เราสัมผัสได้ด้วยกายนั้นต้องแข็งเพราะเราไปยึดในตัวขินเราต้องแข็งแต่ที่นี้ถ้าเราไปจับตัวอื่นลักษณะของสัมผัสนั้นอาจจะอ่อนอาจจะแข็งอาจจะยืดอาจจะเหนียวอาจจะยืดอาจจะยุน่นหรืออาจจะหนืดลักษณะหนืดหนเช่นพวกยางทั้งหลายบ้ก็ไม่ใช่เป็นเครื่องกําหนดว่าจะต้องแข็งเสมอไ ป, ไปแนวนี้คือแนวความเห็น แนวความเห็นที่มีการกำหนดเช่นเดียวกับการกำหนดช้างดังกล่าวเพราะลักษณะของที่มานั้นจะมีความจำกัดจำกัดอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งซึ่งในอดีตนั้นแน่ น, นอนมาจากกิเลสในปัจจุบันได้คบหาสมาคมกับคนที่เขามีความรู้อย่างนั้นแล้วเข้าใจอย่างนั้นก็สอนได้เท่านั้นบอกกล่าวกันได้เท่านั้นแลวตัวเองก็ไม่เลยคิดหรือว่าคิดก็คิดจากัด จำกัดเท่าที่มีเงื่อนไขให้ได้คิดหรือเราอาจจะมองไปที่พระพุทธเจ้าตอนเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ศัสรู้ก็จะเห็นได้ชัดว่าลูกศิษย์ของท่านอาราดาบทก็ดีลูกศิษย์ของอุทกดาบทก็ดีนั้นที่จริงมีอยู่มากไม่ใช่เฉพาะพระโพธิสัตว์คนเดียวท่านก็ได้กัลยาณมิตรแต่ขนาดนั้นแหละขนาดที่สอนได้ขนาดนั้นเพราะ น, น, น์นนประเสริมสร้างความคิดแ ก, ลก่ลูกศิษย์ลูกศิษย์เมื่อคิดได้ขนาดนั้น เก็เป็นการมองจบเท่าที่ตนรู้ทำนองเดียวกับอะไรทำนองเดียวกับโพรงโลกกนิตที่บอกว่ารู้น้อยกว่ามากรู้เริงใจกนกบเกิดอยู่ในสัตจ่อยไปเห็นชะเลไกลกลางสมมติคิดว่าน้ำบอดน้อยมากกลําดึกมันก็ตัดสินจากในสระวถูกผิดดีชอบเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ก็ตัดสินยเฉพาะในส แล้วก็กลายเป็นลักษณะของอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นในความเห็นบางครั้งบางคราวเขปักใจว่าอย่างนี้ตอนนั้นถูกต้องอย่างอื่นไม่ถูกต้องซึ่งในที่สุดก็กลายเป็นความขัดแย้งที่มีความสับสนธรรมะปฏิบัติในทางลัทธศาสนาจึงมุ่งปรับจริงๆและมุ่งปรับสองสายสายหนึ่งก็คือสายความประพฤติเรียกวาศีลสามัญญาตาเคยมีศีลเสมอกัน สารหอถือเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดก็คือทิฏฐิสามั ญ, ญาตาให้มีความคิดเห็นตรงกันในเรื่องเดียวกันหมายความคนหนึ่งเจาะลึกได้ขนาดไหนก็อีกคนหนึ่งจะเจาะลึกได้เท่ากันแล้วจะไม่เถียงกันแี่ปัญหาที่เถียงกันก็อย่างที่กล่าวมาแล้วคือหมายความว่าสัมผัสกันคนละจุดแล้วแต่ละคนก็ยึดติดในจุดที่ตัวสัมผัสอยึดติดพอทำนองไปปฏิเสธจุดที่คนอื่นสัมผัส ก็กลายเป็นความขัดแยงการตกเฉียงกันจิตใจก็มีความเครีบแแรงสงสัยมากยิ่งขึ้นอาจจะเกิดโทสะอาจจะเกิดอะไรติดตาป่าเป็นอันมากเพราะฉั้นลักษณะของทิฏฐุปาทานจึงเป็นปัญหาภูเขาเป็นปัญหาขนาดใหญ่มาก เราะเป็นโมหะที่ออกจะมากพิเศษกว่าบรรดากิเลสทั้งหลายและเป็นกิเลสประเภทที่เรียกว่าเมื่อเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลแล้วจะคลายได้ช้าแล้วก็มีโทษมากคือมีโทษมากด้วยแล้วก็คลายได้ช้าด้วยเพราะเป็นกลุ่มของโมหะดังกล่าวต่อจากนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทําความสงบสืบต่อไป